ตอนนี้ไปก็ขอบวนดาท่านพุทธบรดิศทั้งหลายควาคัและนำในการเจริญเส้ธรรมทานสักครู่หนึ่งการเจริญเส้ธรรมทานนี้ถ้าจะให้ได้ดีจริงๆทุกท่านต้องตั้งใจปฏิบัติโในกติกาการ <m ere> ที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าที่ธิบทตีคำว่าพิบาทนี้ท่านแปลว่าคุณธรรมเป็นเครื่องยางประโยชน์ให้สำเร็จนั่นหมายความว่าคนทุกคนถ้ามีกำลังใจสุดขัวนในคุณธรรมจิประการนี้ไม่ว่าอะไรทั้ดทำก็สำเร็จทุกอย่าง แก่ทังเป็นคดีโลกก็ตามคดีธรรมก็ตามถ้าสองอย่างสําเร็จหมดเราะว่าถ้ากาลังใจท่านทรงคบมีความเข้มแข็งพอคําว่าไม่สําเร็จไม่มีในชีวิตอิจิมัตคือสีอย่างคือหนึ่งคันธาคันธาเนี่แปลว่าความพอใจ เราจะทำอะไรก็ตามสร้างกําลังใจให้มีความพอใจในสิ่งนั้นอย่างจริงๆริงใจจั ง, จงอย่างการเจริญพระกรรมฐานเหมือนกันเราต้องการเจริญพระกรรมฐานก็สร้างความพอใจในการเจริญพระกรรมฐานไม่ใช่ว่าทําใจมันคนเหยียดที่ไกด้วยพอ แต่พอใหม่ไว oh. right. ้ใจไม่ไว้ใจไม่รอดทำไม่ได้ไอ้เกษตรนี้ไม่ว่าทำอะไรก็ไม่ได้ดีทั้งหมดดังนั้ดับแรกเราต้องสร้างความพอใจว่าทางคุณธรรมแบบนี้จะเป็นเหตุให้เรามีความสุขในขณะที่ทรงชีวิตอยู่ก็มีความสุขตายเปแล้วก็มีความสุขอี่เราจะมาสร้างความพอใจซะก่อน ก็สองวิริยะให้มีความรู้สึกอยู่เส ม, มอว่างานทุกอย่างต้องมีอุปสรรคเพราว่าต้องต่อสู้ผืนกับอารมณ์ไม่มีงานในดทั้งหมดที่ไม่มีการต่อสู้ไม่มีการฝืนอารมณ์ดฉะนั้นจะต้องมีความเพียรต่อสู้เอาชนะให้ได้หมายความว่าเราจะไม่ยอมลดละอย่างการเจริญพระธรรมฐาน เราต้องคิดว่าเขาทำกันได้เราก็ต้องทำได้เขาทำได้เร็วเราทำได้ช้าก็ถือว่าทำได้ยังไ ง, ไงก็ต้องเอาเองได้ในเมื่อคนเราเกิดมาแล้วมีสิบมือมือมีห้านิ้วเหมือนกันมีอาการสาริสองเหมือนกันทำไมเขาทำได้เราถึงจะทำไม่ได้ เมื่อเาเป็นไข่ข้องตรงไหนคืงใช้ระยะคือความภาคเพียงของต่อสู้ร้านจิตะเอาจิตใจจดจ่อฝับไฝอยู่ในอารมณ์นั้นคือในอารมณ์กรรมฐานที่เราเจฉเดินตีมังสาตอนที่เราใช้ความพอใจเราจะใช้ความเพียรเอาใจข า, ายุทธเป็นอารมณ์ ต้องใช้ปัญญาพิ่เจรณาเสีก่อนมีมางสารีเป็นตัวปัญญาที่เจรณาว่าที่เราทำเนี่ยเราสนใจเรามีความเปลียนปักปันบากปันในวิริยะอุตสาหะเอาติตเข้มงวดในอารมณ์นั้นมันตรงกับที่ครูบาอาจารย์สนนกอรับแล้วตองใช้ปัญญาเจรณาด้วย เมื่อกำลังใจของทุกคนมีอารมณ์นี้ประจำใจอยู่ไม่ว่างานอะไรทั้งหมดทั้งหมดหมดการเจริญแระกรรมฐานก็เป็นขอไม ย, ยากยังขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหมดท้าวิสุทธิมณีนุมบาศกุมบาธิการโยงทรงกำลังใจสี่ราการนี้ไว้ครบส่วนหนึ่งฉันท่าความพอใจในคิดที่เราจะลงทำ สองอุปยามีความเรียนบาคคือความเบียนบาคบันในคอถอยสามจิตตาอจิตใจจดจ่ออยู่ในสิ่งนั้นสี่วิมังสาใช้ปัญญาใข้ปุ้ยเชก่อนว่าเราทำถูกแบบถูกแผนหรือไม่ตอนน่อไปก็จะขอพูดโดยย่อถึงวิธีปฏิบัติ การเจริญธกรรมฐานแบบนี้เป็นการเจริญแบบปัญญาสามกัดขอโทษแบบวิชาสามกัดปัญญาร่วมกันฉะนั้นวิธีปฏิบัติเีจะไม่เหมือนแบบอื่นวิธีปฏิบัติีหลักต้นขอบันดาคันพุทธบริษัทสร้างกำลังใจให้แน่วแน่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ก็สมาธิและวิปัสนาญาณจะมีได้ต้ออาศัยศีลเป็นพื้นฐา น, านการเจริญแบบนี้ต้องมีทั้งศีลบริสุทธ์ด้วยมีสมาธิตั้งมั้นด้วยมีวิปัสนาญาณตัดขั้นห้าในแน่นอนด้วยในขณาที่เราต้องการส่งอารมณ์ดังนั้นว่าทุ า, ามอย่างนี้ต้องพร้อมกันไป ฉะนั้นในหลักต้นของมรรดาเจ้าพุทธศา ช, ชนิกชนตั้งใจที่เวลานี้ถ้าบังเองิญศีลเราจมีครอพุ่นมาก่อนก็ไม่เป็นไรเรื่องธรรมดาแต่ว่านักตระหนักนี้เป็นต้นไปเราตั้งใจว่าเราจะทรงศีลห้าบริสุทธิ์นี่สมํมรัถท่านที่เป็นปุถุชนและกัญญาณชน เทวกาลังทรงอยู่ในขั้นบริโภคายเกษตรกิทาคารต้องมีสินห้าบริสุทธิ์ถ้าจิตเข้าถึงอนาคา ม, มีก็ต้องมีสินแปดบริสุทธิ์ใช้ความว่าถ้าเขาถึงอนาคา ม, มีไม่ต้องไป บ, งบังคับสถิติแปดมือถือมันเองเป็นอาตโนมัติรวมความว่าเราตั้งใจว่าจะทรงสินห้าบริสุทธิ์เลยก่อน การโค้ิศีลห้าบริสุทธ์ต็ตั้งใจ แ, แบบนี้จะตัต้งใ จ, จเฉพาะเวลานี้ไม่ได้นะนีเราวกัตลอดชีวิตเปหมายคหนึ่งเราจะไม่ทำลายศีลด้วยตนเองลอไม่ยุให้คนอื่นทำลายศีลรัไม่ยินดีเมื่อคนอื่นทำลายศีลแล้ว ไม่แน่ว่าเริมตั้งใจเพื่อเติมบัตมนี้เป็นคนใส่ตัวการจะริ่มท่กรรมฐานแบบนี้ถ้ากาลังใจควบคุมดีแต่เดี้วต้องไปเจ้เห็นมิถานการที่เห็นมิถานนี้จะต้องหนึ่งศีลดีสองสมาธิดีสามปัญญาดีแล้วนี่หนึ่งศีนี้ท่านดีแล้วการทรงสมาธิท่านยังไง ในช่วงที่เขาสอนช่วคราวประมาณสิบนาทีเศษเวลานั้นจะเป็นเวลาให้ท่านหลายท่านสมาธิจิตละบอะอ่ที่ไม่มีอะไรรบกวนทำ่าไม่รบกวนเนตมาไม่พูดตัวเองตอนนี้บรรดาท่านพุทธบรรครวบรงมกำลังใจแต่ว่าย้งมันเกรงเกินไปและทําใจส บ, บาย กำหนดรู้ลมหายใจเขาออกกายกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกทิ่งยาไปบังคับลมหายใจลอยให้ลมหายใจไปตามปกติธรรมดาให้ใจเบาๆแบบสบายๆคืออย่าบังคับแรงอย่าบังคับลามันจะเข้าใจขนาดไหนก็หน่อยไปแต่เอาเข้าติตเข้าเรว่าเวลานี้ให้ใจเข้าตอนนี้ให้ใจออก เพ่การสะดวกเอารายใจเข้าในกวนะมะเอาร้ายใจออกในกาพระจะลงคอว่าเป็ น, นาปการภาวนาวนัวานะมะนกัปปะกันเองให้แยกเป็นสองตอนตอนละสองคำแค่เพื่อว่าพนังหลายี่ได้ภาวนาแบบสบายไม่เหนยเพิ่มใจว่าเวลาภาวนาเนะี่ย เราไม่ใจเขาออกด้วยถ้ทำใจบาๆย้ายมเครียดย้ียมันคัาบมัเกินไปโยงใคิดว่าเราะต้องทำอารมณให้มันดึ ง, งไม่ดีอะไรทั้งหมดอันนี้ไม่ถูกย้ยต้องปล่อ ย, ยแบบสบายๆเบาๆทำจิตต่ำเบาแต่ละราวางังจิตย้ายยุ่งการรม์อื่นให้เรคัดจิตให้อยู่ในขอบเขตขวันะมะ แล้วพระพระไปไหล่ใจเข้านี่กวนะมั้งไปไหล่ใจออกนี่ว่าพระชาเท่านี้นะแต่ว่าถึงเวลาขัญยานบอกฤทธิครูก็จะไปสอบท่านเพื่อลืมตาตอนนี้เวลาครูเป็นแนะนำอย่าลืมแล้วครูเขาไปเขาไม่ตั้งใจเปว่าไปดุไปด่านะเขาตั้งใจโดยสอนเรื่องความไม่เข้าใจนี่เป็นเรื่องธรรมดาครูอยู่แล้ว มีอะไรก็บอกเข้าไปตรงไปตรงมาเวลาที่ครูเข้าไปแนะนําเนี่ยให้เลิกภาวนาที่ตอนนั้นทําใจก็บายสบายเมื่อครูสั่ให้ตัดแขนหให้ว่ากายเป็นสุขหรเป็นทุกข์ก็ใช้ปัญญามองดูมันชัดๆมันยากปวดั้องขี้เป็นทุกข์ไหมปวดท้องเยี่ยมเป็นทุกข์ไหมหิวเป็นทุกข์ไหมร้อนร้อนเป็นทุกข์ไหมถ้าเราเลือกจะไม่ทุกข์เขาก็สอนกันไม่ได้ ถ้าเรามองไม่เห็นทุกข์นเขาสอนไม่ได้แน่เพราะว่าเราคิดเห็นหนาเกินไปตอนนี้เขาถามอะไรก็ต er. <men> <men> ้องรู้เอาปัญญาที่เจะณาตามความเป็นจริบอกเขาบอกครูผู้สอนเมื่อตอนที่ครูผู้สอนถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกหรือว่ามีความเห็นพระพุทธเจ้า้วใครอยู่วยใ่ไหม ตอนนี้แค่ลมใจใจลมใจไปสมาธิยารุษาย็นเอาคว า, า, า, ามรู้สึกของใจเขาถาเวลานี้ถ้ารู้สึกว่าพระพุทธเจ้าลอยอยู่ข้างหน้าท่านใช่ไหมหรือว่าเวลานี้เห็นพระพุทเจ้าไหมแต่ความรู้สึกมันบอกเองก็ตอบไปเองาค่ามว่าพระพุทธเจ้าทรงสีอะไรพอคน ข, ข้านค่ายเขาบอกว่าเหลือง แต่ถ่าเราใจบอกว่าแดงแล้วก็แดงอย่าไปตามเขา้าเราบอว่าใจเราบอกว่าขาวก็ขาวตามเขาอย่าไปตามเขาเอาความรู้สึกเดิมอย่ามัวถอยหน้าถอยหลังอย่าสงสัยวัน่หรือไหมแน่แหน่ได้ไหมแหน่ถ้าตัวสไสมีอย่างนี้ครูสอนท่านไม่ได้ดอกแม่ท่านเองท่าไปไหนไม่ได้แม่ เราไปอารมณ์ในเวลานั้นไปลงเขสมาธิย่อมรู้ตามความเป็นจริงเสมอแล้วก็ในบัดนี้ขณะที่ฟังเสียงพูดนี้ขออนลญาตใ้พุทธบริัทตัดใจทันทีแต่ในบัดนี้ให้มีความรู้สึกว่าเราตัง้งแต่เกิดมาเนี่ยเราไม่ได้มีความสุขเรามีแต่วความทุกข์ตลอดเวลา คำว่าทุกเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทนทุกอย่างมันนี่หมดอย่างเวลานี้เรานั่งอยู่แล้วก็มีนั่งตามสมบายตัวนั่งอยู่ในกุกคนที่เขาทําบุิบัติในกล า, างวันถายก็ต้องนั่งตามระเบียบมันปวดบ้างมันเมื่อยบ้างตัวนี้มันก็ทุกแม้แต่การในสองความหิวหิวข้าวเนี่ยมันด้ทุก การทำ ม, มาหากินเลี้ยงชีพคงเมน่อต้องเหนื่อยมันก็ทกร้อนเกินไปมันก็ทุกข์หนาเกินไปมันก็ทุกข์กาปรปฎิจาระปัสสาวะมันก็ทุกข์การป่วยให้ไม่สบายมันก็ทุกข์กาแก่เข้ามาครอบงำมันก็ทุกข์ การพัดแพร่จากของรักของตใจพ่อตายแม่ตายลูกตายเผัอตายเมียตายที่ตายน้องตาเสียใจไม่กระทุกในที่สุดเวลาที่เราจะตายไม่กระทุกหรื่อความปรารถนาไม่สมหวังไม่กระทุกวงความทุกข์ตัวนี้มาจากไรมาจากการเกิดมีร่างกาย ถ้าเราไม่มีร่างกายเช่นแบบนี้มันก็ไม่เกิดที่มันก็ไม่มีอีกเพราะนั้นว่าเราก็ตัดสินใจว่าเราเกิดแบบนี้ทั้งในวันนี้ทั้งในวันเกิดไปทังวันตายไม่มีอะไรเป็นสุขมีแต่ทุกข์ถ้าวันเราจะเกิดเป็นคนแบบนี้อยู่กับดอกไฟมันก็แค่นี้แหละได่นคนทุกข์แดนที่มีความสุขจริงๆมีอยู่แดนหนึ่ง ไปียงที่นั่นแล้วไม่มีแก่ไม่มีป่วยไม่มีเจ็บไม่มีตายไม่มีอารมณ์หนักภาระกิตยาอื่นทุกอย่างไม่มีแล้วไปอยู่ที่นั่นแล้วไปเคลื่อนไปอยู่ที่อืน่นไม่มีอีกจะอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยเต็มบริสุขสมบูรณ์อย่างนี้นั่งคือพนิพานฉะนั้นขออนุญาตทนพระตุณงสปัสต ถ, ถึงกำลังใจช่วงเวลานึ่ ว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวเราเราไม่มีในร่างกาย ร, ร่างกายไม่มีในเราร่างกายเป็นธาตสี่ไปส น, น่การเิดท่านุน้ำธาตุดิน่านุลมธาตุไฟชัว่วคราวเท่านั้นและมันมันก็แก่ทุกวันเสื่อมทุกวันในที่สุดมัก็ตายเราไม่ต้องการมันอีกถ้าการตายไกลกว่าการนี้มนุษย์มนดีการไม่ต้องการเกิดเป็นมนุษย์ เราก็เด oh ิกายเกิดเป็นเทวันดาด้วยคนเพราะเป็นเทวัดาและผมทัดทุกข์ทั่วข่าวเราต้องการเพืานไปด้วยฉันเวลานี้เทวันดาฉันพุทธมรรตสร้างจิตอณิพนันท์เพาะใหญ่เนี่ยขออง์สุนทรภิชิตภิทิกรรมารามาสัตยศาันดาษัมมาภูมิใจแห่ใช้ว่บารมีขององ์ให้ข่าพุทเจ้าทุกคนเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธ มีสัพพมีสัพพานสมาธิสร้าง ม, มันมีวิปัษญาญาณแจงใสอารมณ์ใดที่ต้องการเป็นคิดพระองค์กำหนดจะทำใสามมิตรมันดานแห้อารมณ์นั้นมีสภาพแจงใสตลอดเวลาลายต่อจนี้ไปก็ามันดาเป็นพระตบริษั ท, ทหลายโดยชั่วนาสร้างกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน กำหลดนู่นลงให้ใจก็ออกใช้คำภนาว่านมาตทะจึงก่ายเยดนเสียงบอกสัญญาณนี่สัญญาณบอกเวลาว่าคู่จะเข้าไปสอบเป็นอแนะนำท่านลำดับนี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริสัททั้งหลาย ส no er ั้งใจฟังคำแนะนำในการเจริญป้นปรมมาทัน35นาทีการเจริญปกนปรมมานก็จะไม่ขอผู้ละเอียดอันดับแรกขะบัรดาท่านพุทธบริษัทเรียนรับเอาตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปเลยให้พยายามเอาปัญญาเอาปัญญาญายอมรับนับถีความเป็นจริง อนความเป็นจริงที่เราจะต้องพยายามรู้แต่ว่าของมันมีให้เห็นของก็มีให้เห็นของก็มีให้ดูของก็มีให้จําแต่ว่าจิตของเรามันเร็วดูก็ดูเฉยๆมองก็มองเฉยๆแล้วก็ไม่จำํำนั่นก็คือว่าชีวิตของคนเลยขาดทั้งหมด มีความเกิดขึ้นเป็นละเรื่องต้นและต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงจากเล็กเป็นเล็กเล็กจากเล็กเล็กเป็น็กใหญ่จากเล็กใหญ่เป็น่มเป็นสาวจากนุ่มสาวเป็นสาวจากน่มจากสาวกลายเป็นคนกลางคนจากคนกลางคนเป็นคนแก่จากคนแก่แล้วก็ตาย เรียว่าบางคนเกิดมาไม่ทันจะแก่ก็ตายบางคนเกิดมาไม่ทันจะเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ตายบางคนเกิดจากท้องพ่อท้องแม่สองสามับก็ตายบางคนตายที่ท้องมอท้องแม่ก็รงความว่าเราเกิดมาเนี่ยเพื่อตาย จำก็ไม่ดีอย่าลืมความตายเรื <c oughs> ่องความตายนี่จะต้องมีความรู้สึกอยู่ทุกวนันว่าการชีวิตของเราจะเป็นนั่งนับอายุจะคิดว่าเวลานี้อายุยังน้อยมันยังไม่แก่มันยังไม่ตายเวลานี้แก่แล้วจตเป็นยังไม่ตายกายคิดอย่างนั้นมันไม่ถูก ถ้าความตายเรื่องนี้ไม่มีลิมิตมันมีเครื่องหมายมันเป็นสรัะบอกแน่นอนสมเด็ระจันทร์วรมองแนะนำว่าจงคิดถึงความตายไว้ทุกวันเพราะว่าเราที่ต้องรูกว่าเราเนี่ยตายวันนี้อยู่เสมอจะได้มีการเตรียมตัวว่าถ้าเราจะตายคราวนี้เนี่ยเราจะเป็นสัตยรกดีหรือ หรือว <audio vis cers> ่าเราจะเป็นเปรดหรือว e ่าอยากจะแป็นอสุรกายหรือว่าเราอยากจะเป็นสตรีฉานแต่เกิดเป็นคนแลงอยากจะเป็นคนจนและอยากเป็นคนรวยหร้อว่าอยากจะเป็นตาตอนอยากจะเป็นคนตอนอยากจะเป็นฐานแล้วก็นั่งมองดูใจว่าตายคราวนี้เราจะไปไหนจะได้เตรียมใจไว้โดยเฉพาะ ถ้าต้องการไปบายภูมิก็ไม่ยากหินห้าไม่รักษา ม, มันลอยให้มันขาดส้นดิน่งไปเะบาัางเรืองนี้ตายแล้วก็ลงลนรกแน่นอนไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นเราไมีความหวังแน่นอนที่คาวอะไรจะคิดว่าเราเกิดจปนมนุษย์มันดีหรือ มป็นมนุษย์เราไม่จะเป็นอย่างนี้เกิดแกเกิดตายเป็นแบบนี้วนไปวนมาหาที่สุดไม่ได้ถ้ <c oughs> เป็นเทวาดาไม่ช้าไม่นานก็ต้องสุดตีเป็นทรมก็มีสภาพเหมือนกันท่กไปนิพพานไม่ได้นี่การไปนไิพพานเขาทำกันยังไงการไปนิพพานเนี่ยก็ตัดจุดเดียว ตัวจุดสก right. no. ายที ah, ่สี่ไอ้ตัวตายเนอากากันแบบนี้เป็นนั่นว่เราบองร่างกายนี้ว่ามันมีธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเนี่ยเราแบ่การสันสองเราไม่มีอะไรส่งตัวมาชางกับพังมันพังแล้วเราไม่พัง ร่างกายมันพังแล้วก็พังเลยเขาขึ้นชื่อว่ากายไปสวรรค์กายปนรกแล้ก็ไม่มีนี่ความจริงร่างกายมันพังแต่จิตใจมันไม่ได้พังคําว่าเราในที่นี้ก็คือจิตใจหรือว่าถ้าจะเรียกให้ถูกจริงๆก็จะต้องเรียกว่าอาทิสมานกายนั่นหมายถึงกายที่ไม่ใช่กายเนื้อ เราไม่สามารถเห็นได้ในสารเนื้อแสดงว่าที่สมานกายนั่นแหลเราร่างกายนี่มันจะเรืนร่างที่อาศัยโชคราภมันก็บ้านเชา่าเราก็นั่งมองได้งกายเพราะ น, น่บ้านเช่าหลังนี้เต็มไปด้วยความสุขหลกบกบ้านเช่าหลังนี้ไม่มีการทงตัวเยลี่ยนแปลงก็โอบไปเรื่อยต่อ บ้านเช่าหลังนี้ไม่ช้าก็พัถ้าฟังแล้วถ้าเราแสวงหาบ้านเช่าแบบนี้ก็เดีเราก็จะพบกับบ้านทางเราเป็นดกกับ้านที่ได้พังอยู่หลงังเหนึ่คือบ้านนิทานบ้านที่วันไดาก็าทังบ้านตรงก็พังมีแต่งเดียวที่ไหนทางไม่เส้นที่มีความตกที่ตกชีวานิทาน ีการไปนิพายนั้นยังไงล่ะตั้งใจว่าอันดับแรกไปชีวิตนี้เราต้องการอะไอีกกายการแบบนี้ <c oughs> การแยก้าวเข้าไปสู่นิพายก็ต้องใช้ปัญญานิดหนะึ่งมองดูสิ่งห้าที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าดีเรือเ่องรหน อาปัญญามีจิตมัดีปรารานาถึงห้าบริสุทธิ์เมื่อรักษนาถึงห้าบริสุทธิ์มีจิตนัตรักนิการเป็นอารมณ์เพื่อจิตตั้งปัญญาเดียวว่าถ้าตายคราวนี้นไม่ต้องการเป็นคนไม่ต้องการเป็นเทวดาม่นต้องการเป็นชมสิ่งที่เรามียมก็คือนุพาน ถ้ารมทรงตัวได้อย่างนี้าาจริงๆตันดีกว่าเบโซดาบันาา <c oughs> แล้วก็พระสิทธิพัฒน์กันเป็นว่าตัดแต่งโยธ3ได้อันนี้ของไ ง, ไง่ายๆแต่โยธ3ไม่มีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายขอรพบพระพุทธเจ้าขอรบพระธรถรมขอรบพระอริยสองฆ์มัน่นใจในสินห้ว่าเป็นแดนให้เกิดความสุข สัญาณที่เราจะไปก็คือพนิพานจุดเดียวรวมรัสวันทําไม้เอาต้องการอย่างเดียวคือพนิพานเท่านี้ไปนิพานได้ถ้าไปอย่างไปไม่ได้ก้าวที่หนึ่งช่วงที่หนึ่งเข้าทึจุดทางพนิพานไม่มีการพลอยหลังถ้าตัวลมได้อย่างนี้เมื่อเราไม่ตกในายใบจะพูดแน่ เราต่อไปก็มันน่าเสียนาร่างกายที่เต็มบริ้ความสุขภพร่างกายที่ต้องสลายตัวร่างกายที่มีความโศกข้าความทรงโถนได้มีทุกตกระเวลาเราก็ไม่คิดร่างกายคนอื่นมันสวยสดสวกงามทรงหนมันเต็มบริ้ความสุขภพร่างกายเราเปิดสุขภพ เราไปร่วมรักแรงเข้าแรงรักแรงสามีปัญญาไม่กังวลด้วความทุกข์หาความสวยหาความ่อใสนีและไม่ชีวันก็สุดโศกในที่เขาต้องตายเรื่องอะไรเนาะในเมื่อเราก็จะต้องตายเขากย่อมตายจะสร้างความทุกข์เพื่ออะไรตัดเสื่อกลังความต้องการร่างกายคนอื่นด้วสุปธรรมฐานกับกายพันชาในสิ ถ้าไม่พอใจไปหาข้อผิดูแล้วสีก็มีแล้วต่อไปก็คิดว่าเจะได้กระดดคิดทํำร้ายเพื่อจะละทันทำไมน้อนคนเราเกิดมาต้องตายมีความทุขถ้าเราไปทําลายความรับไม่กระโดดคิดฆ่าเขาเราก็ทําลายความสุขของเราใจมรรคุณหัวเราไม่ต้องการใครอยากเจิญได้ก็เชิญได้ใครอยากเจะว่าก็เชิญว่าใครอยากาายากินทายก็เชิญ ไม่ม so, ือยฝากไม่มือยพอกำไมเพราะเราฝ่ายคนด่าเราสลายคนระนรกมาสั่งนั้นเราไม่ด่าตอบเพื่อนั้นในใจมีจิตเป็นสุขในกามารมณ์ให้มีความรู้สึกต้องการเลยความโกรธความมิบาทยกไว้ไม่ผีโทษกิดกยใครอยากจะระนรกก็เชิญด้เชิญแกล้งใหบายใครยากจะไปสว่างก็มีตาไม่ตาใจ คิดที่อย่างนี้เขาดาเขาดาไม่ถุกเราดามันถูกเรือคือสันห้าขัห้ามันก็ไปู่กด่าไกลๆลมปากมันไปถึงเราก็ไม่ถือโทษโกรเสียงอย่างนี้ทันเดชมารดาพระอนาคานีนี่ทางปฏิพันธ์ต่อไปก็รวบรัดปฏิพัน์เลยตัดชั้นท่ากรบราสองตัวตัวความว่ามันนั่งคิ จิตเจเราคิดโอบไม่เป็นเรื่องเนอะกายเกิดเุ็นุษก็ไม่เป็นเรื่องกายเกิดเป็นเทวันได้ก็ไม่เป็นเรื่องกายเกิดตป็นพระมก็ไม่เป็นเรื่องปานิพันธานิพ์ <c oughs> ร่วมความว่าการปานิพานรธ์รวบรับปัจจัยความหนึง่ง <c oughs> เลิกโลกแต่ถ้ามาโลกเป็นมาเรื่องอยากจะรวยเกินพอดีนะ <c oughs> สองเลิกโกรไม่ว่าอะไรก็ช่างมันสามเลิกหลงเมื่ไม่หลงไม่ติดเยื่มันในมนุษย์โลกไม่ติดไปเทวโลกไม่ติดตัวโลกเราต้องการมิขานที่จักพลุกพ่านเป็นอารมณ์อย่างนี้เราคอยกดการกดจริงจริงกดทิ่ขันห้าตัวเดียว เราะว่าบทที่ร่างกายตัวเดียวนี่มันแย่ลงมันขุ่นว่ารางกายนี้ไม่เจอเราไม่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีเราเิ้ยวไม่เก็ะค์เมื่เมื่อจิตเราไม่เกาะร่างกายเราร่างกายเรามันก็ได้เกาะร่างกายบุคคลอื่นไม่เกาะวัตถุธาตุต่างถ้าจิตไม่เกาะร่างกายตัวเองนี่มันชามันจะทังบัเชิญทางอยากทางออกทางไป มันไม่ก่อร่างกายคนอื่นเลยเพรร่างกายคนอื่นก็ไม่มีความหมายว so ่าตัวท่าแต้งหมดในโลกนี้ก็ไม่มีความหมายจบตายแค่นี้สิตคิดได้อย่างนี้ก็หมดเรื่องตายเมื่อไรไปในผพานมานั้นเวลานี้กบรรดาในพุทธบริษัทคิดอย่างนั้นนะัำจิตให้มันปอดโปเพราวลานี้เราไม่โฟกัสหมด แม้จะร่า้ตายมันจะตายในเวลานี้ประเสิฐดีตายเวลานี้เราไปนิพพานเดี๋ยวนี้เอาใจมันไมัน่นคงวันเนี่ทุกคนถ้า ค, คิดได่อย่างนี้พอดีว่าตายเวลาตับเที่ยวขึ้นไปแจ่มใสสว่างโลกถ้าใครยังมืดมืดมัวก็แสดงว่ายังส ด, ดไม่จริงเนื้อขนาดท่านพูดมาใหม่วันนี้มีคนเดียว หลังใจนี high, anxious, anxious, you ้ไปก็ให้กําหนดรู้ลงในใจเข้าออกเวลาย้ายใจเข้านึกว่านะมะเวลาย้ายใจออกนึกว่าภาธานะให้ใจเข้านึกว่านะมะแนะให้ใจออกนึกว่าภาธาเพื่อภาวนาวานละมาภาทาเทีเวลาภาวนาทําใจเบาๆสบายอย่าให้มนแน่นนะ ตามเรื่องต่อที่นี้ไปกขบันดาแต่พุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้ตรงตรงำงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกใต้ธรรมภาวนาและพิจารณาตามปัญญาใจจนกว่าจะบอกเลิกแตสำหับท่านผมมาใหม่จะให้เวลาไว้สิบห้านาทีถ้าสิบห้านาทีที่เชียงเกร็ดก็จะต้องลืมตาเนาะโค้ชแนะน ำ, นำเขาจะไปแนะนำให้